พระธรรมเทศนาลำดับที่สอดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าหลวงพ่ออินทวายกับการแพทย์เพราะหลวงพ่อจะไปวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์ตึกหนีไฟตึกที่จอดรถที่จังหวัดอุดรเพราะนั้นจึงจะให้พี่น้องชาวอุดรฟัง คือทางโรงพยาบาลอุตสูรอุดอรเนี่ยเขาจะสร้างตึกหนีไฟมาจะตึกจอดรถมาสามปีแล้วอ่าพอ อ, อบอกว่าก็คือความไม่ตกลงกันแค่แค่ว่าคนหนึ่งเห็นด้วยคนหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่พอมาถึงจุดนี้หน้าโรงพยาบาลอุดอรของเราเนี่ยบางทีอเออเศรกิจเท ศ, ศกาลอะไรก็เมือนเลยล็อคล้อรถอยู่ร่วมกี่คันอ่พอเหตุไรเพราะบอกคนที่ไปเยี่ยมป่วยพอไปถึงแล้วก็ คนป่วยในโรงพยาบาลจะมารอจอดรถยังไม่ได้เทัน้ทางราช ก, การทั้งไปทำงาน ด, ด้วยทั้งจะเอาของไปส่งคนป่วยด้วยผลที่โซก็เลยจอดมันข้างหน้าโร ง, งพยาบาลหน้าโรงพยาบาลถนนเนีะน่ะเจ็ดใพวก เ, เก็บเงินเทศเกิจเทศการอไอันั้นเขาล็อกล้อรถเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นล็อกเกือบ1ิบคันวันนั้นอ่ะโอ้โหทำไมทาไมล็อก มาพิจารณาดูแล้วก็โอ้พี่น้องใขรว่าใจร้อนอะ่ะคิดว่าคิดเห็นคนป่วย ค, คิดว่าขึ้นไปแล้วจะรีบลงมาแต่ที่ไหนแนละ้วมันเกะกะขวางเขาได้แต่นี่รถนะ่ะเขาก็ล็อกล้อล็อกลอก้ล อ, ลอเห็นแล้วก็เอออันนี้คือคือที่จอดรถไม่เพียงพอแล้วก็พร้อมกันก็ไปเห็นที่วัดโพที่สมพรรถเต็มไปหมดโอ้วัดโพมีงานบ้างเออวัดโพมีงา น, นเห็นเห็นรถเต็มไปหมดนี่ว่าพอถามได้ที่ไหนได้ คนมาโรงพยาบาลไม่มีที่จอดรถเข้าไปจอดที่วัดโพนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนงท่านพออเขาก็บอกว่าอยากจะสร้างตึกที่จอดรถหลวงพอ่อแลวก็หนีไฟด้วยก็เลยสร้างะจะสร้างเรียงคู่กับตึกหลงตาทีนี่คือตามปกติตึกสิบชั้นเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีตึกหรือว่าทางหนีไฟที่โรงพยาบาล กฎกติกาเขาเป็นอย่างนั้นถามไม่จริงก็ได้จะเป็นอย่างนั้นต้องมีตึกหนีไฟแต่นี่ลูกตึกลงตาสิบชั้นยังไม่มีตึกหนีไฟกเกรทางโรงพยาบาลก็เลยอยากจะสร้างตึกหนีไฟงดประมาณไม่มีเลยก็เลยขงบประมาณกระทรวงสาธารณาสุขก็ไม่มีแต่นี้ก็เอาเงินโรงพยาบาลเงินที่เงินเก็บสะสมของโรงพยาบาลแต่ดูแล้วมันไม่พอ แต่มันไม่พอจะทํำยังไงเขาก็เลยคิดว่ามาเห็นหลวงพ่อเนี่ยเคยช่วยโรงพยาบาลตะก่อนก็เห็นหลวงตาใช่ไหมหลวงตาช่วยโรงพยาบาลเขานี้หลวงตาไม่อยู่เขาก็เลยมองไปมองมาก็คงไม่เห็นหลวงพ่อท่าไหหลวงพ่อโอ้ไวเลยวะไวไม่ไวเลยจะทำยังไงได้หลวงพ่อเนี่ยขอให้ช่วยหลวงพ่อเอออันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์เออก็น่าจะเป็นไปได้หลวงพ่อก็เลยดูดูล้วเออน่าจะเป็นไปได้ แต่ในทางโรงพยาบาลเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่ตึกสิบชั้นหลังนี้ที่จอดรถตังนี้ยเขาตีราคาเก้าสิบสี่ล้านเขาออกมาแล้วเก้าสิบสี่ล้านตึกหลังนี้แต่หลวงพ่ออืแล้วเรามอบให้หลวงพ่อเป็นเป็นประธานในการหาทุนแล้วก็ประธานในการหาผู้รับเหมาเหมืนหลวงพ่อก็เลยเลยเอารับหลวงพ่อก็เลย เราเอาเสาหลักบริษัทเสาหลักที่มาสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วแล้วก็ น, นี่แหละสร้างเจดีย์หลวงปู่จันสมสร้างเจดีย์หลวงปู่เพียนเดี๋ยวนี้แหละหลวงพ่อก็เชิญมาทางกรุงเทพแล้วกั บ, บริษัททางอุดอรนี่ก็หลายบริษัทรวมแล้วหกบริษัทนะหบริษัทที่จะมารับเหมาเนี่ก็มาก็ยื่นซองอย่างที่ว่านั้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรของเราปัจจุบันนี่แหละแล้วก็โยธาจังหวัดแล้วก็พอ แล้วก็คณะคณะช่างโรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อีกเป็นกรรมการแล้วก็คุณเกติชัยชัยเอีย่ยเสียอ๋อฮะอแล้วก็มามายื่นให้เขายื่นซองให้เขาอให้เขามาประมูลซองเขาเอาไปไปก็บอกว่าในเมื่อพวกคุณเอาซองไปแล้วไปเปิดดูแล้วถ้าไปให้ไปคํานวณโครงสร้างตัวนี้นะ่ะ อย่าไปเพิ่มอะไรนะอย่าไปให้เป็นค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าค่าตรวจงานค่าอะไรไม่มีทั้งหมดเพราะหลวงพ่อเขาปล่อเขานี่โรงพยาบาลเราจ้างมันแบบจนนะถ้าว่าคุณไปเพิ่มตัว น, นั้นตัว น, นี้เข้าไปอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นพูดตามความเป็นจริงอย่างไรก็ให้อาตามความเป็นจริงอย่างนั้นทเทนใยพอก็เลยพูดออกประมูลออกมาทั้ง6กบริษัท บริษัทที่ใต้ต่ำที่สุดคือเจดสิบแปดล้านดังที่เขาตีราคาก้าสิบสี่ล้านนะได้เจนะ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดสิบแดล้านบริษัทที่สองเสาหลักี่เอามาจากกรุงเทพเขาตีราคาแ7ดบเจดล้านเกินกัน1ิบล้านจากนั้นก็มาก็9เก้าสิบสองล้านก็มีเก้าสเอ็ดเก้าบสองล้านก็มีถึงร้อยสบเกล้านก็มีที่เขาตีราคาออกมากับคนที่สุดก็เลยเอาบริษัท มิตรภาพลูกชายของนี่แหละตั้งกิมเซงของอุดรของเราเนี่ยนะเป็นผู้รับเหมากเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้ว78ล้านแล้วก็ใช้เวลา14เดือนออทีนี้หลวงพ่อก็ได้พูดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางโรงพยาบาลว่าเราควรจะเปิดตัวไหม เพื่อจะให้พี่น้องชาวอุดรเนี่ให้มีส่วนร่วมเพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งแล้วก็คงจะเป็นเงินของพี่น้องประชาชนชาว อ, ดอุดรถ้าผู้ใดก็าตามเห็นความสําคัญในตึกหลังนี้นะ่ะควรจะลงขันกันช่วยสร้างตึกแต่หลวงพ่อว่าเออคงจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอุดร อ, อย่างมากและก็วันพุ่งนี้แหละทีนี่บ่ายมงนะบ่ายมงวันพุ่งนี้ เจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรเป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์แล้วก็หลวงพ่อนิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่อุ่นครูบาอาจารย์แต่ไม่รู้จะมามากน้อยเท่าไหร่กระทางโรงพยาบาล น, นั่นนะเป็นผู้นิมนต์มาสวดพระปริตตะมงคลแล้วก็หลวงปู่วางศิลาฤกษ์บ่ายโมงตึกสิบชั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วตึกหลังนี้จะจอด ร, รถได้ หกรคันนะจอดจอดธรรมดานะถ้าจอดปิดท้ายแบบใส่เกียร์ว่างเอาไว้นะ่ะรวมกันแล้วจะได้เจดเจ็ดร้อยคันตึกหลังนี้ตึกสิชั้นหลังนี้แล้วก็มีลิฟต์ลงไปจอดเสร็จแล้วก็ลงไปแล้วก็เชื่อมกับตึกหลงตานะห่างจากตึกหลงตานีนะ่แปเมตรนะแล้วก็มีสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมมีอยู่สสะพานสะพานชั้นที่9ชั้นที่7ดชั้นที่ห้าชั้นที่สาม จะมีสะพานสะพานเชื่อมเชื่อมหากันแต่บางคนก็มาพอพูดขึ้นมากับมีคนพัดค้านเหมือนกันนะรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านเน่ว่าหรวอเปล่าพูดทํางานก็ต้องมีฝ่ายค้านเป็นธรรมดาอันนี้เขาก็ค้านขึ้นมามมบ ม, มบ ม, มบมบมบขึ้นมาเสียห้องอย่างงั้นเสียห้องอย่างนี้นหออลวงพ่อเขาบอกว่าคิดดูให้ดีฟังเหตุผลซะก่อนก่อนที่จะค้านก่อนที่จะพูดอะไรสมมติว่าตึกของลงตาเนี่ยสิบชั้นน่ย คนป่วยเกือบสามร้อเตียงตึกหลังนี้น่ะสิชั้นเนี่สักเกือบสามรอเตียงสองรอยกว่าเตียงเกือบสามรอเตียงแล้วหมอเท่าไหร่แล้วคนไข้ก็เกือบสามร้อยคนแล้วก็มีพยาบาลเท่าไหร่และพวกญาติคนไข้เท่าไหร่สรุปแล้วตึกสิบชั้นหลังนี้น่ะคนเกือบพันคนนะเนี่อยู่ในเนี่ยทั้งพร ะ, ะทั้งอะไรก็ถวยทั้งพระชั้นสิบกับชั้นเก้าเป็นของพระจากนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนจากชั้นชั้นแปดลงมาถึงชั้นหนึ่ง เป็นของพี่น้องประชาชนแต่นี้เวลาไฟไหม้ลเลยก็ต้องมีเล็บก็จริงอยู่มีเล็บสี่ตัวสามตัวหรือสี่ตัวลวงพ่อไม่มั่นใจี่ตึกสิบชั้นแล้วเนี่ยแต่พอไฟไหม้ไฟเขาจะต้องตัดไฟเล็บเล็บเขาต้องตัดเพราะไฟไหม้เขาต้องเป็นไฟฟ้านี่ยเป็นพาหะทําให้ไฟไหม้เขาก็ต้องปิดปิดเล็บเมื่อปิดเล็บตัวถ้ามันไหม้ชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นมาแล้วคนจะลงได้ยังไง และตอเนี้ถ้าพวกพยาบาลพวกหมอพวกวกหนีไฟเขากหนีล ง, งข้างได้ เ, เพราะบรรไรบันไดลิงบันไดหนีไฟมันมีอยู่ข้างๆแต่ถ้าคนป่วยละ่ะขาหักแขนหักละ่ะไฟไหม้น้ำร้อนลวกหนังผุพองไปหมดะจะไปอุ้มลงอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้ตายลูกเดียวใช่ไหมใช่ตายลูกเดียวถ้าคนไม่มีทางหนีไฟต่นี้ถ้ามีทางหนีไฟสี่ชั้นย่างว่านวิ่งมาโจดมาคงวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออก อย่างน้อยกับคนก็พอที่นั่นก็คงจะวิ่งออกตามตามสะพานลอยแต่ทีนี้ทางนั้นเราก็คุยกันไวเหมือนกันกับทั้งผู้ว่าราชการทั้งวัดทั้งพอ อ, อบอกว่าถ้าปกติเนี่ยเราจะไม่เปิดให้คนใช้แตทางนี้ไฟทั้งสี่ทั้งสีทั้งสีเส้นเน่เราจะปิดตายไปเลยจนกว่าวันไหนมีเหตุขึ้นมาเราจะเปิด เลือทุบกระจกหรืออะไรออกไปเลยลักษณะอย่างนั้นอ่ะถ้าว่าไม่ไม่จำเป็นเราจะไม่ใช้เพราะว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยญาติพี่น้องแล้วคนป่วยเพราะฉะนั้นเวลาคนขึ้นไปจอดชั้นฉีบแล้วก็ต้องลงลงไปข้างล่างแล้วจะต้องเข้าเดินเข้ามาเพราะมันมีรปภมีป ร, รปภ อ, อยู่ชั้นล่าง อ, าอยู่แล้วจะไม่ให้เปิดเข้าไปใช้อันนี้ก็คือเราได้คิดได้พูดกันไว้แล้วนะ อันนี้หลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังในรายละเอียดนะละเอียดว่าการคิดหรืว่าการกระทะําร่ว่การวางแผนในการจะสร้างตึกหลังเนี้ย น, นี่แหละหลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายหาเงินฝ่ายสงฆ์มั่งมั่นอลยเดี๋ยวนี้ก็เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรของเราเน่ะส า, าสาขาใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินไปเนี่ยบอกกล่าวกัน หาใครอยากจะได้บุญนะอยากจะได้บุญแล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างน้อยก็ต้องเสียสละกันคนละนิดคนละหน่อยแหะเพราะเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยถ้าว่าเราไปนอนในโรงพยาบาลถ้าไฟไหม้ขึ้นมาละ่ะเราจะทํำยังไงทําไฟไม่ไหมเราก็ไม่เป็นไรคนในชาติจะเป็นถึงใครก็ตายใครก็ตามถ้าตายไปในในตึกที่ทไฟไหม้เนี่ย พวกเราก็คงจะสลดสังเวชใจไม่เช่นน้อยเหมือนกันนะถึงจะไม่ใช่เรากับคนในชาติของเราเนั่ย น, นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่ชาวอุดรเท่านั้นนะคนกรุงเทพถ้าคนกรุงเทพมาป่วยขึ้นมาจะทํายังไงใช่ไหมละ่ะนี่แหะอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะบอกกล่าวบอกกล่าวไปก่อนวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงจะมีการทอดผ้า ป, ป่าด้วยหาทุนเพื่อสร้างตึก สิบชั้นหนีไฟที่จอดรถโรงของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะออวันนี้ก็นับว่าโทรศัพท์ปิดซะก่อนนัดนี้นะคณะทายายิโยมห้ามถ่ายรูปวีตังหากแค่นี้ <c oughs> หลวงพ่อจะพูดปาลบอะไรให้ฟังนานทีปีหน ล, ลูกหลานทนี่มาวัดสู่วัดของหลวงพ่อนะเ อ, อนับว่าวันนี้เป็นนับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งทางร้าน นี่สนี่สุ น, น, สน อ, อุดรของเราแต่ก่อนก็คุณแม่นะ่ะคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของทั้นกบพานี่แหละพาลูกน้องบริวารตัวแทนส่งของเชลที่ขายของให้แก่ยี่สุนนะั่นน่ะถึงวันทำบุญนี่กับชักชวน เออไปทำบุญด้วยกันเดอ้อนี่แต่ก็น่าเสียดายท่านก็ป่วยเจสนี่ล้มป่วยใช่แล้วไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มอบให้ลูกชายาลูกชายลูกสาวบริวารของท่านน่นะเคยทำบุญแบบเก่าพวกเราเดินตามแนวแถวที่แม่พาเดินพ่อแม่พาเดินชักชวนพวกเพื่อนไปทำบุญวัดต่างๆคนที่เข้าวัดเข้าวานี่นะพูดกันง่ายเาพราะรู้จักบาปบุญคุณโทษ คือจะอารัดเอาเปรียบกันก็ไม่เต็มที่เพราะเหตุไรเพราะกลัวบาปอาบาปบาปอภิสุจนมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวตัวบาปยังมีอยู่ถ้าเราทํากรรมจรงสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาไว้กรรมสิ่งนั้นจะตามสนองเราถ้าเราไปต้มตูนขาวอีกสักวันหนึ่งเนะี่บาปกรรมตนจะไม่ไปไหนไมัต้องวิ่งมาหาเราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทํามาค้าขายเนี่ยต้อง จิตใจต้องตรงกันต้องบริสุทธิ์ต่อกันต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกันถ้าคนไร้สัจจะถ้าคนไม่มีสัจจะเนะี่ยทำมาค้าขายด้วยกันไม่ได้นะคือพูดอย่างหนึ่งก็ตอแหลไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็หลกไปอย่างหนึ่งบีิสุทธิ์พบกันไม่ได้นานเพราะเหตุใดเพราะพวกเราขาดสัจาะในหลักของพุทธศาสนานคะารวาะธรรมคารวะธรรมธรรมของคารวะสี่อย่าง สัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันถ้าคนไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะแล้วจะทํามาค้าขายด้วยกันไม่ได้ธรรมะให้รู้จักขบขมจิตของตนการอยู่ด้วยกันจะเป็นหมู่เพื่อพวกเพื่อนพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานใครก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องมีการไม่เข้าใจกันบางทีกับขัดเคืองกันเ อ, อขัดข้องหมองมัวในจิตใจ แต่เราต้องข่มจิตของเราเอาไว้ก่อนเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องอะไรเราต้องคิดอต้องคิดดูให้ดีซะก่อนอันนี้เร้ ว, ว่าธรรมะให้รให้รู้จักข่มจิตของตนอขันธ์อันที่สามเราว่าขันติอให้มีความอดทนให้มีความอดทนในจิตใจอีกอการอดทนคำนี้อดทนทั้งต่อการพูดการแสดงออก ต่อทุกคู่ทุกคนเราต้องมีขันติเน่ยแล้วก็อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอะไรทุกอย่างเนรียกว่าขันติคือความอดทนคนที่มีความอดทนดีคนที่มีขันติคือความอดทนไปณนะสถานที่ใดอยู่กับใครก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจผู้อยู่ใกล้ชิดแต่มีแต่มดกัดทนเล็กลองโอ้อักมีอะไรน้อยเนีย่ยก็บวยวายใครอยู่กับใคร ก็เดือดร้อนใครเข้าไม่สบายใจเพราะเหตุไยเพราะว่าไม่มีขันติคือความอดทนเพราะนั้นขันติอยู่กับผู้ใดผู้นั้นกลุ่มนั้น เ, เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายขันติและกจาคาคนเราต้องมีจาคาอย่างพวกเรามาวันนี้นะพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัทธายาธิโยมลูกหลายมาวันนี้ก็คือจาคะคือการเสียสละวิลัมเวลาเสียสละทุนทรัพย์ มาม า, มาในพระพุทธศาสนาอันนี้เราเสียสละถ้าจะว่าไปคือวัดวาศาสนาเนี่ยเราเสียสละสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์คื อ, คอวัดวาศาสนาไม่ใช่ของปุณผู้ใดไม่ใช่หลวงพ่ออินนะพวกท่านทั้งหลายเข้ามานี่วัดนี้เป็นวัดของงพ่พออินใช่ขณะนี้หลวงพ่ออินเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลจากนั้นก็หลวงพอ่อกนชักชวนให้คทาญาติโยม มาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกท่านทั้งหลายวัดนี้ไม่ใช่วัดของหลวงพ่ออินถ้าหาว่าเป็นวัดเป็นกิจการพวกเราเคยเห็นไหมถ้าเข้ามาผ่านประตูวัดเขาต้องเก็บค่าประตูพอเข้ามาแล้วก็มานั่งศาลานี่ก็เก็บค่าอีกอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเก็บค่ามีแต่ชักชวนเข้ามาค่าใช้จุงค่าใช้จ่ายไฟฟ้องไฟฟ้าน้ําประปงประปาอะไรทุกอย่าง อันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์นี่แหละพวกเราอย่ามองข้ามในวัดคือคือสาธารณประโยชน์การเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์จากพวกเราขึ้นมานั่งซาลามาทานอาหาร้วมีอะไรก็เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหมดจากนั้นก็ในเมื่ อ, เ ม, อเมื่อจะตุปัจจัยที่พวกเราถวายมาอย่างมุขพ่อเนี่ยได้รับจตุปปัจจัยจากลูกหลานคณะรัตา ญ, ญาโยม เอามาใช้เป็นค่าอาหงค่าอาหารค่าน้าําค่าไฟค่ายุบค่ายาพระเนรเก็บไข้ได้ป่วยหรือคณะทศไทยญาติโยมผู้มาเกี่ยวข้องมีความจํำเป็นเก็บไข้ได้ป่วยหรือมีอะไรเกิดขึ้นภายในวัดเสนาสนะสงกุฏิศ า, าลารั่วห้องน้ําแตกอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็จะได้ใช้จตุปัจของคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานเนี่ยเอาไปซ่อมเอาไปแซมเอาไปดูเอาไปแลดูแลพระสงฆ์ถ้ามันมีส่วนเหลืออีก ถ้าไม่มีส่วนเหลือหลวงพ่อกันเนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงร่าโรงเรียนอย่างโรงพยาบาลเนี่ยที่หลวงพ่อเข้ามาเข้าไปเป็นเป็นหลักอย่างีๆหลวงพ่อจะหาเงินจากที่ไหนก็เอาเงินจากพี่น้องลูกหลานที่นั้ที่มันเหลือเก็บไว้เนี่ยก็สงเคาะเข้าไปในโรงพยาบาลโรงเรียนบ้างแต่เมื่อกี้นี่ยหลวงพ่อก็ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะงบไปตั้งห้าล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ทำไมหลวงพ่อซื้ออะไรมากมายขนาดนั้นหลวงพ่อซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจผาบายพาดหัวใจล้านสี่นะาบายพาแล้วก็เครื่องถ่างหัวใจเมื่อผ่าเข้าไปต้องมีเครื่องท่างอีกนะเอบว่าภาษาบัลลังก์งะงะนาอกองท่างไป เ, เพื่อจะได้ไปผ่าหัวใจตัวนั้นก็เกือบพันแสนสี่แสนกว่าห้าแสนแล้วก็เครื่องช่วยหายใจ เครื่องห้อยใจตะก่อน เ, อเราก็ต้องใช้เหมือนเหมือนลูกโป่งนั่นนะ่ะมันบีบเวลาคนออกจากห้องห้องไอซียูแล้วห้องผ่าตัดแต่บัดนี้เขามีเครื่องของเขาเองเอห้อยไปแล้วก็ติดเครื่องไปส่งถึงห้องอคนป่วยจากนั้นก็ใช้ออกซิเจนใหญ่แต่ขณะที่เดินไปใส่สู่ห้องนั่นมันมีเครื่องอีกตัวหนึ่งมันเครื่องละหกแสนนะแต่นี้ก็ะซื้ออีกสองเครื่องจากนั้นก็ ปอดว่าใจเทียมเวลาคนผ่าตัดเข้าไปแล้วมันช็อกมันช็อกมันต้องใช้เครื่องตัวนี้เข้าไปถ้ามมันช็อกนานเกินไปก็ทำให้คนป่วยนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราเ น, นี่แหละสูงแล้วล้านสามแสนสามล้านสามล้านสามแสนตัวนี้แพงตัวนี้รวมกันแล้วใช้จ่ายเงินไปประมาณห้าล้านห้าล้านเจ็ดแสนกว่าเสร็จส่งเรียบร้อยแล้วนี่แหละ คือเงินจํานวนนี้ก็คือเงินพี่น้องชาวรอนส่วนหนึ่งหลวงพ่อหาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งเพื่อจะให้ช่วยเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสูรนุรอนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นให้ลูกหลานเข้าไปดูโรงพยาบาลสูรนุรอนเด็กถ้าเป็นถ้าเป็นเตียงไฮโดรลิกแล้วก็ให้อ่านมาเลยชื่อในเตียงไข่หลวงพ่อชักชวนองค์ขมนตรีดรเตอรชาวซื้อเตียงตัวนี้เกือบร้อยเตียงเหมือ น, นกันนะ70กว่าเตียง อ่าคือเตียงห้องไอซีสองห้องน่ะสามห้องน่ะห้องละแปดเตียงน่ะนั่นแหละอันนี้ก็คือห้องละเตียงละเจ็ดหมื่นเหมือนกันแล้วก็เครื่องผ่าตัดหัวเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงอ่าแล้วก็เครื่องช่วยหายใจในห้องไอซเนี่ลราหลวงพ่อได้ช่วยในโรงพยาบาลสุอุดรมากพอสมควรและจากนั้นหลวงพ่อเองก็ไปช่วยโรงพยาบาลศรีนะครินทร์ขอนแก่น หลวงพ่อเองเป็นประธานนะเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงฆหลวงปู่มัน่นทั้งที่หลวงพ่ออยู่ในปานหลวงพงศ์ไผอย่างนี้แหละหลวงพ่อไปสร้างตึกชั้นที่สิบของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแกน่นชั้นที่10บตึกสมเด็จย่านะหลวงพ่อไปปรับปรุงทั้งชั้นหมดเงินไปเกือบพันล้านรวมถ้าทักเครื่องค่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆเข้าไปอีกหมดไป14ล้านกว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อได้ไปเห็นทีไรหลวงพ่อภาคภูมิใจ อย่างมากเพราะหลวงปู่ศรีก็เป็นนอนป่วยอยู่ที่นั่นหลวงปู่เพงถ้ากองเพียนก็อยู่ที่นั่นจกคุณราดพุทธายจาร์เจ้ารองเจ้าวัดวัดโพพระภูษเถระผู้ใหญ่ก็ไป น, นอนอยู่ที่นั่นและมีหลายองค์พระเถระที่ไป น, นอนอยู่ชั้นสิบเพราะท่านสบายะสะดวกสบายเพราะเป็นห้องของพระโดยตรงเหมือนกับวัดอย่างนั้น่ะอยู่ชั้นสิบนี่แหละถ้าหาว่าหลวงพ่อไม่พูดให้คณะทาญาิโยมลูกหลานฟังลูกหลานก็คงจะเออ หลวงพ่อเนี่ยได้ช่วยอะไรไปบ้างจะถูกปัจจัยที่พวกเราถวายเนี่ยปันจะไปอย่างไรอันนี้ก็คือหลวงพ่อพูดให้ฟังก่อนว่าจะถูปัจจัยของลูกของหลานของคณะสัต ธ, ธาญาติโยมที่ได้มามากน้อยเนี่ยหลวงพ่อได้ช่วยสาธารณประโยชน์ช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์แล้วก็ช่วยโรงเรียนอต่างๆอันนี้หลวงพ่อพูดให้พวกเราทั้งหลายฟังอทางว่า หลวงพ่อกล้าพูดเท่าไหรเนียพระเนรอยู่ในวัดของพ่อนหลวงพ่อมีเท่าไหร่ถ้าหลวงพ่อพูดไม่จริงอะพระเนมนมูลได้เกิดคงจะไม่อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อโกหกเขาจะว่ายอย่างนั้นอีกหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าว่าทุกคนจะเป็นพระสงฆ์องค์คเจ้าก็ดีจะเป็นพกคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมก็าตามถ้าว่าเห็นสาธารณประโยชน์จงช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ แต่ส้าว่าพวกเราทุกคนเห็นแต่กอบเห็นแต่โกยเห็นแต่กินเห็นแต่คดเห็นแต่โกงใครมีเท่าไหร่โก่โกงกินกันหมดในประเทศชาติประเทศชาติของเราเนี่ยถึงจะเป็นประเทศใหญ่คุดจริงทั้งประเทศแต่มันกวงมันกวงคืออะไรมันไม่หนักแน่นเพราะเหตุไรเพราะมันมีเตยียดตั ว, ต ว, ว, ตว น, นุตัวด่วงโตมหนอนตัวปวกตัวมดนะมันกัดมันชัยประเทศชาติประเทศชาติจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญได้ยังไง พวกเราคิดดูสิอย่างไต้หวันเนี่ยเขาปราบขอรับชั้นอย่างรุนแรงเลยประเทศชาติของเขาไปไงก้าวกระโดดจนโลกทั้งหลายจนน่ากลัวเพราะเหตุไรเพราะว่าประเทศของเขาไม่มีขอรับชั้นน้อยที่สุดแต่เมืองไทยของเราเนี่ยทวงหงพ่อว่าที่มันไปยากทุกวันนี่กิมีส่วนนี่แหละส่วนหนึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนเหมือนกันให้ช่วยช่วยกันคิดให้ช่วยกันประคอง ถ้าจะว่าไปประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกับรังของเรารวงรังของเราเราต้องรักษาอย่าจะเป็นปวกเป็นมดเข้ามาในรวงรังของเราเราก็ต้องช่วยกัน ร, รักษาถ้าว่าพวกเราช่วยกัน ร, รักษาแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็จะรอมเย็นเป็นฝุ่อันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่ส่วนจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายในในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานะอเออ พระพุทธเจ้าทำไมพระเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมท่านจึงหนีออกไปบวชอยู่ในป่าหลงพงไพ่พระพุทธเจ้าไม่รู้จักความสุขเหรอทำไมพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในเวียงวังมีทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างในยุคสมัยนั้นแต่ทำไมท่านจึงหนีพระพุทธเจ้าหนีออกไปบวชท่านมองดูแล้วว่าถึงจะอยู่อย่างนี้ก็เถอะคอยวันตาย ปู่ย่าตายายายตายหมดต่อมากระตายพ่อตายแม่ต่อมากระตายเราต่อมากระตายลูกตายหลานออกไปเราจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายนี่รพระพุทธเจ้าท่านท่านมีบา ร, รมีแก่กล้านะท่านก็ไปเห็นคนแก่จากนั้นก็เห็นคนเจ็บเห็นตุกคนตายต่อหน้าท่านอีกท่านโอโ้มันตายจริงๆเนี่ยจากนั้นท่านก็ไปเห็นสมณะสมณะคือนักบวช ท่านเป็นพระชมนานักบวชเป็นนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขจมาธินั่งหลับตานิ่งสิทธัตถะพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะพระเจ้าแผ่นดินเห็นเออถ้าเรามานั่งคิดกันกรอนไตรตรองอยู่อย่างนี้คงจะมีทางออกได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงในวงังมัลุมมัตุ่มมัลุมมัตุ้มแต่ละวันไม่รู้เรื่องอะไรต่อพี่อะไรการบริหารจัดการ ไม่รู้ว่าเรื่องในวังไม่เรื่องเรื่องนอกวังมันเรื่องว่านอกประเทศในประเทศเราคงไม่มีเวลาเพราะฉนั้นเราควรจะหนีออกไปคิดอย่างสมรัองค์นี่คิดอยู่นะจากท่านท่นานที่จัดสินปรไทยหนีออกกลางคืนเลยเอออกจากเวียงวังไปอยู่ไกลจากกรุงกบิลพัฒน์พอสมควรเอทุกวันนี้เขาบอกว่าเขามีเครื่องวัดใช่ไหมเขาบอกประมาณสองรอยกว่ากิโลเหมือนกันน ะ, ะจากกรุงกบิลพัฒน์ไปถึงแม่น้ํา โนมาณทีนะพอที่ขี่ม้าไปนะจากนั้นพระองค์ไปอยู่ตามมาฟังถึงหกปีเนีค้นคว้าศึกษาอยู่นั่นนะ่ะเหมือนกับท่านไปศึกษาวิธีการเกษตรหรือ ว, วิธีการเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะ่ะจากนั้นท่านไปนั่งภาวนาค้นคว้าแต่วันที่ได้ที่ด้านที่ท่านได้สําเร็จนั่นนะ่ะวันเดือนหกเพนนาร์เ่ท่านทํำยังไงเนลูกหลานคณะรัตยาญาโยะฟังนะที่พระพุทธเจ้าได้สัตย์สรู้วันนั้นนะ่ะท่านทําอย่างไร ที่ทำพระธรรมคําสอนของท่านที่พวกเราเคารพนับถือเดียวเนี่ยท่านทําอย่างไรในวันนั้นวันเดือนหกเพ่นนั้นพระพุทธองค์ก็บอกชัดเจนว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันเดือนหกเผ่นเนีใครเข้าวัดพระที่กําลังเลื่อเลือกําลังจะมองเห็นแสงสว่างได้อยู่ขณะนั้นนายโสธิยะได้ไปหาบไปเกี่ยวหญกาคาไปเกี่ยวหญากาหรืหาบญ้าคาผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพัง โอ้คงจะนั่งไม่สะดวกพราะนั่งอยู่โคลนต้นโพเนี่ยธุดโพพวกเราก็เห็นนะถ้าต้นโพใหญ่ๆธุดโพแก่ๆเนะี่ยพวกเราจะเห็นลากของมันจะโผล่ขึ้นมาจากดินนั่งไม่สะดวกนายโสติยาณก็นำหญ้าคาแปดกำมือเข้าไปมอบให้สิทธาได้หญ้าคาแปดกำมือเกลี่ยลงที่โคลนต้นโพโคลนทโพทางด้านทิศตะวันออกพอเกลี่ยเสร็จแล้วพอโพที่ศัตว์สิตถาเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งอยู่ ไปนั่งอยู่ที่ยาขายาคาที่เกลี่ยลงแปดกำมือหันพระพักเรือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิ่งพอเกลี่ยเสร็จแล้วานายโสธิยาเขาก็กลับบ้านเขาแหละพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งนั่งบนยาขาหันพระพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยฟังกอนนะดํารงสติเฉพาะหน้า คือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้คิดให้มีสติอยู่ในปลายจมูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อวานเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงไม่ได้คิดอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะชันยังไงเราจะอยู่จะกินยังไงไม่ได้คิด เอาจิตใจอยู่ในปัจจุบันคือลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยหรือใจของพงศ์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมทําไมจึงรวมเพราะว่าท่านไม่ได้คิดถึงอดีตท่านไม่ได้คิดถึงอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันเลยเพราะฉนั้นพวกลูกพวกหลานทุกคนนะอยากจะทําสมาธิเนี่ยให้กําหนดลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเมื่อกําหนดเข้าไปแล้วนะ เใจของเราเนะี่ยเราจะรู้ได้โดยตนเองเลยว่าใจของเรามันมันยิ่งกว่าเลิงอีกถ้าเลิงหลุกหลีกขนาดไหนเนะี่ยใจของเรากวาดลิงตัวนั้นอีกนะแหมมันมันอยู่ไม่เป็นไม่สุกหรอกเอมเพราะอะไรเพราะใจมันหลุกเลีกถูกเลีกโรเล็ ก, ล ก, ลกแต่ถ้าหาว่าพยายามเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปจับเลิงมัดเอาไว้มัดกับหลักให้คล้ายๆกเอาสติของเราจับ นึกความนึกคิดเนะี่ยให้มันอยู่ที่ปลายจมูกไม่ให้มันออกไปข้างนอกนะจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมปุ๊บโปรงไปเทันนะี่ยจิตนิ่งจิตเย็นจิตสบายจากนั้นพระองค์ก็น้อมจิตที่เย็นสบายเนะี่ยระลึกชาติผลหลังจะว่าปุเพเนวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านยืนยันเลยนะว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีก เพราะเหตุไรเพราะท่านทําจิตใจให้สงบนิ่งซะ ก, ก่อนแล้วระลึกชาติผนหลังระลึกถึงเมื่อวาน ม, มีมีไหมอาทิตก่อนมีไหมเดือนก่อนปีก่อนข้ามพบข้ามชาติไปอีกนี่แหละคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมตอนหัวข้ามของวันเดือนหกเพนถ้าว่าไม่มีชาติที่แล้วพระองค์จะระลึกชาติผนหลังได้ยยัยงไม่มีเมื่อวานใช่ไหมเราเกิดมามาวันนี้วั น, นเดียวเนี่ยเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุไร เพราะไม่มีเมื่อวานเราจะระลึกได้ยังไงมีแต่ชาติเดียวเราจะระลึกถึงชาติที่แล้วได้ยังไงนี่พระองค์พระองค์ได้ระลึกชาติผลหลังได้ตอนหัวค่ํานะพอถึงเที่ยงคืนจุตูตตปะปาตยานเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตัดสรุรรมอีกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปไหนแต่นี่พระองค์ก็รู้อีกว่าคนเรานี่มันมีที่ไปมันมีที่มา ถ้าบอกคนเราพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงนี่เออทําไมคนหนึ่งรวยทําไมคนหนึ่งจนทําไมคนหนึ่งหูหนวกตาบอดทําไมคนหนึ่งโง่คนหนึ่งทำไมคนฉลาดจย่างนี้เพราะว่าบอกว<ำ>่ากรรมกรรมเก่าในอดีตบางทีกรรมมันในปัจจุบันก็นีกรรมในปัจจุบันก็คือขี้เกียจขี้ค้านไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบเอออย่าไปคุยกันใครคุยกันออกไปคุยข้างนอก น่นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่คุยกันตรงนี้เป็นบนตรงที่ฟังหลวงพ่อพูดถ้าหาว่าใครจะากจะคุยกันนู่นนอกวัดมีถึงมีคุยกัน <c oughs> นี่แหละอันนี้จะวัดตูจู ป, ป่าตาเยานการจุติของสัพสัตทั้งหลายพระ อ, องค์ก็รู้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่ก็จะไปไหนอันนี้พระ อ, องค์รู้หมดคนทำานทาไมไม่เหมือนกันเพราะพระ อ, องค์บอกว่าเขาทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตสมมติว่าเขาไปฆ่าสัต เกิดมาพบนี้ชาตินี้เขามีอายุสั้นตายเร็วเพราะเหตุไรเพราะเขาฆ่าสัตว์ในอดีตคนที่จนเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยทําบุญทําทานในอดีตเกิดมาชาตินี้เขาจนแต่ทําไมเขาจึงรวยเพราะอดีตชาติของเขาเขาเคยทําบุญไว้ในอดีตมาชาตินี้เขารวยแต่ออกจากชาตินี้เมื่อเขาไม่ทําบุญเขาจะเป็นยังไงถ้าว่าเขาไม่ เขาทําความชั่วนะเขาจะตกนรกออกจากตกทรกก็ไปเป็นเปรตแล้ไปเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันไปได้ทั้งนั้นฟิลญาณตรงนี้จือใจตรงนี้สรุปแล้วก็คื อ, คอพระองค์นั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงไปนั่นนะ่ะเหมือนกับท่านเห็นรถต่างกายเหมือนกับรถแต่ใจนามธรรมาเนี่ยตัวผู้รู้ความรู้จังเลยนะเออเหมือนกับคนขับรถท่านเห็นได้ชัดคนขับรถนั่นนะ่ะตัวสําคัญแต่รถนี่นไม่สําคัญเออพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะ แตก ต, ตายสลายได้แต่วัดตัวสําคัญนั่นคือคนขับรถพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถท่านจังหวัดมโนโปุพังคมาธรรมามโนเสถิามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพระนันคณานาชตาหย่าโจมลูกหลานนะพระพุทธศาสนาให้ความสนใจเรื่องของใจนะคือนามธรรมเลยสําคัญมากเพราะนั้นใจจังวัดตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก แต่ว่าพวกเร า, เาทํากรรมชั่วไว้ในอดีตเกิดมาชาตินี้ก็จะเป็นคนจนเป็นคนถกลาบากเพราะเหตุใดเพราะกรรมเก่าตัวให้ตัวท่านให้ผลอย่างพระโมคขลานพระพระองค์บอกว่าพระโมกขลานคนทั้งหลายก็บอกว่าพระโมคขลาทาไมท่านเป็นอาฆาสาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทําไมถูกฆ่าทําไมถูกโจรฆ่าไม่สมควรเลยที่จะตายอย่างนี้ กรรมดีของท่านไม่มีหรอทําไมท่านจึงจึงได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าโมกคลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้เพอโมกขลาได้ทํากรรมไว้ในอดีตชาติกรรมไม่ดีเขาก็ถามว่าทําไมกรรมเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติพอโมกคลาเนี่ยฆ่าพ่อแม่ในชาตินั้นพ่อแม่ของท่านตาบอด จากนั้นท่านก็แต่งงานพ่อแม่ก็หาแฟนให้พอแฟนให้ตอนที่แรกก็ดีๆต่อมาแล้วก็แฟนก็หาเรื่องพราะเกลียดพ่อผัวแม่ผัวผลในสุดก็ไปยุให้สามีของตนเองเออพระโมกคลาเนี่ยแต่ถ้าว่าเจ้าจะเอาพ่อแล้วเจ้าจะเอาเมียเนี่ยแต่ถ้าจะเอาเมียก็ต้องขาบต้องเอาพ่อเจ้านี้ออกจากบ้านพ่อแม่เจ้านี้ออกจากบ้าน พรพุพกขาลาเขมยั้งไม่ได้ยั้งคิดในขณะนั้นเพราะว่าความอารมณ์โมโหโกรธาในจิตใจผลที่สุดก็เลยเอาพ่อแม่ใส่เกวียนไปเลยไปฆ่าทิ้งในป่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฝังดินเลยจบเแต่กรรมชนั้นละ่ะมันให้ผลนะเจ้เออมันให้ผลพระพุพกขาลาถูกฆ่าไม่รู้กี่กี่ร้อยชาติมาแล้วในชาตินี้นยถูกฆ่าอีกนั่นหมาพุทธพ่ะพุธใเจ้าทั้งว่าอากตังลุกตังเซยโย ปัชฉาตปฏิดุกตกะตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วมันจะติดตามให้ผลตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราคณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำไม่ดีแล้วกรรมนั้นจะตามสนองออในปัจจุบันนี้ก็เถอะนะถ้าพวกเราไปฆ่าเขาเข้ า, ขาไปตีหัวเขาเข้านะไปขดไปโกงเขาเข้านะ ในขณะที่ทําก็มันมันก็ไม่ได้คิดนะแต่พอทําไปแล้วนะกรรมกรรมชั่วจะตามสนองแล้วทนนี่ตํารวจจะไล่ตะคบอยู่ตลอดไปอยู่ที่ไหนกวาดพวา่าไปอยู่ในห้องแอร์กะจิกใจก็ยังร้อนอยู่เพราะเหตุหอะไรเพราะกรรมชั่วจะตามให้ผลแหลอผลในสุดเมื่อมันให้ผลทันเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาก็ใส่กองแขนให้เราเลยเอาเข้าคุกแลยท่นี่นั่นแหละขณะที่ทํามันไม่ได้คิดแต่เมื่อทําไปแล้วนะกรรมชั่วให้ผลเป็นอย่างนั้นแหละ ه, พระพุโรหงจึงบอกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะเดือดร้อนตอนเองเมื่อภายหลัง เ, เพราะฉะนั้นหลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอันดับแรกหลวงพ่อได้ชักชวนเกี่ยวกับการทําบุญมองให้เห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทางหิไฟทางเป็นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดอุดร น, นะกรุงเทพมาถ้าป่วยเข้ามาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลฝรั่งอังกฤษมาจากที่ไหนก็เถอะถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วโลกไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าพวกเราช่วยกันอำนวยความสะดวกและช่วยกันปรับปรุงแก้ไข่ก็จะเกิดประโยชน์ต่อโลก ส่วนรวมเหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราไม่น้อยเหมือนกันอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้มีความมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่กอบโกยโกงกินประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่สวนเรื่องจิตใจนั้นต้องยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วปุเพนวาสานุสติยานตุตูปปาตยา น, ายาน ส, สัพพสัตทั้งหลายดวงวิญญาณใจพระพุทธองค์บอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสรุปแล้วก็คือว่ากรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนไม่ใช่ใครอื่นนะตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง วันที้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่ขัน ธ, ธ์สถาญาตโยมลูกหลานมาจากหลายแห่งหลายหนที่หนี้ศูนย์ของเราบริษัทนี้หุน้นร้านยี่หุน้นหนี้ศูนย์ของเรา เ, เป็นผู้นํามาทําบุญาตามวัดต่างๆพวกนั้นมาถึงวัดแล้วครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็ควรจะให้แนวความคิดแก่พวกเราเพวกนั้นหลวงพ่อเองก็ให้แนวความคิดให้ลูกหลานนําไปคิดนํา ไพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนล้วจะเกิดประโยชน์สุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดปัญญาไม่ได้สุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ยินได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ ใจิตใจไม่ฟุ้งไม่ซ่านเจก่อนแล้วก็นํามาคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผลอันนี้เป็นปัญญาของทางทางพระพุทธศาสนาอ่าอันนี้สงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมจอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟัง เนื้อหาสาระธรรมะฟังหลักเหตุผลถูกต้องใจของเราก็ได้รับความผ่องใสเนี่ยอันนี้เถออันนี้สูงแห่งการฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วเพราะนั้นพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะการัชชาญาตโยมลูกหลานนะใครจะเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็เถอะต้องได้ยินได้ฟังวิชาขแขนงนั้น เ, เรื่องนั้นซะก่อนเราจรึงจะรู้ได้เพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนามาแต่แตแตดึกดาบรร พวกเราจะมารู้เรื่องพุทธศาสนาโดยที่ไม่ได้ศึกษานั้นก็รู้แบบงูปู่ปปตรงนะันแต่ถ้าศึกษาให้จริงจังแล้วเราจะรู้ได้หลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงตามหาบัวพวกเราเห็นไหมงานพระราชทานเพลิงของท่านมากมากขนาดไหนทำไมทำไมก็เพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้เสียสละให้แก่ประเทศชาติ คณะท่านมรณภาพท่านยังบอกว่าเงินทุกบาททุกสตงค์ที่มาในงานศพของเราเนี่ยให้นำทอซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดเนี่ยหละหลวงพ่อเองในนามพระนริสงท่านหนึ่งก็ได้จัดการจัดงานองค์หลวงตาซื้อทองคําเข้าคลังหลวงอย่างที่ท่านสั่งเอาไว้เดี๋ยวนี้ทองคําของหลวงตาเน่าตันนะคณะชาทญาติโยมลูกหลานนะสิาตันเดียเ๋ยวนี้อยู่ในคลังหลวงนะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาเป็นเท่าไหร่แต่พิดเป็นเงินทุกวันเนี่ยบาทหนึ่งก็ต้องสองพันกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทบาทหนึ่งต่อสองห 0,000 ืนกว่าบาทแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นหลายเงินเป็นหลายหมื่นล้านนะย่มไม่ต่ำกว่าสองสองหมื่นกว่าล้านเกือบสามหมื่นยังไงใหลูกหลานคิดดูก็แล้วกันทองคําเท่าไหร่คิดกิมตัวเลขดูก็แล้วกันนี่แหละหลวงตาท่าน ช่วยประเทศชาติขนาดนั้นแะคนก็ถามนะผู้สือข่าวมาถามหลวงพอ่อทำไมท่านทำไมคนจึงมามืดฟ้าโมโดินมาอย่างนี้หลวงพอว่อบอกว่าท่านเสียสละหลวงตาเสียสละช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยคนอนาถาช่วยอะไรไมิตร อ, อะไรเยอะแยะไปหลวงตาช่วยท่านไม่ท่านไม่เก็บเลยท่านมิจะเสียสละมิจะให้จากนั้นน่ยขนาดลมหายใจเฮือกสุดท้ายท่า น, นยังสั่งเสีย้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาในงานศพของเราให้รวบรว ม, รวมซื้อทองคําเข้าคางหลวงทั้งหมดอย่านำเงินเหล่านั้นมาใช้ในงานศพของเรางานศพของเรามีแต่ไม้เผาเลยจบไม่ต้องใช้เงินนี่คณะสงฆ์ที่เข้าไปจัดงานหลวงพ่อเป็นประธานในการหาทุนในจุดนี้เพราะหลวงพ่อได้รับพินัยกรรมเลยพินยกรรมหลวงพ่อหลวงตาสั่งหลวงพ่ออยู่ในพินัยกรรม หลวงพ่อก็จัดการตามพินัยกรรมของหลวงตาสั่งก็ไปมอบทองคำเข้าพังหลวง เ, เป็นครั้งจุดท้ายรวมแล้วได้สิบสามตันเจ็ดเศษนะ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือคนทั้งหลายที่เคารพรักคเคารพในองค์หลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละถ้าหลวงตาเป็นผู้ขี้ตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้ใครมีอะไรเก็บหมดไม่ยอมแบ่งปันให้ใคร พวกเราดับตาดูกันแล้วกันว่าจะมีใครเข้ามาเคารพคาระวะทันไหมนี่แหละที่หลวงตามีน้ําใจมีเมตตาต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนทั้งหลายข้า ง, ห ล, งหลังไหลเข้ามาในงานศพขององค์หลวงตาเป็นล้านเนี่ยดูสิวันนั้นขนาดไหนไม่ไม่ได้เชื้อเชิญมามีแต่บอกกล่าวกันเท่านั้นใครจะมาก็มาเนะ้อชาตินี้ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของหลวงตาแล้วนะหลวงตาไม่มาเกิดอีกแล้วนะ ใครอยากจะได้บุญก็มาถ้าไมใ่ใครไม่อยากจะได้บุญไม่ต้องมานอนอยู่ในบ้านใครไม่อยากได้บุญใครๆก็อยากได้บุญถึงออหลังไหลเข้ามางานศพขององค์หลวงตาอย่างพวกเราลูกหลานทั้งหลายได้เห็นนะนอันนี้หลวงพ่อย้อนคําพูดให้ฟังว่าหลวงตาเป็นผู้เสียสละต่อประเทศชาติต่อโลกออคนทั้งหลายจึงนับถือเลื่อมใสเคารพวงหลวงตามืดฟ้ามัวดินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะ อ่ะตอนนี้ไปวันที่หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นให้แก่ลูกหลานได้ฟังยาวๆนะวันนี้นะพวกกูบาใหม่คงจะหิวอาหารพอสมควรแต่ไม่เป็นไรอดๆสักหน่อยนะนานๆทีพวกคณะสัตย์ทา ย, ยาโยมลูกหลานได้มาอย่างนี้อนะตอนนี้ไปหลวงพระพนาสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะพวกเราอุทิศส่วนกุศลหน้า อุทิศสวนกุตนถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาอาณาญาญาติามิตรสหายเจ้า ก, กรรมนายเวรขอให้มีความสุขผู้ดใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมเจ้าของโยมแม่บ้านหรือว่าโย ม, โยมนี่แหละหนี่สุนของเราที่ป่วยอยู่ขณะนี้เนะี่ย เนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิตราพูดไม่ออกอยู่ดเดี๋ยวนี้ดพลังจิตพลังใจของพวกเราขอให้คุณโยมหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้พูดได้ให้ดำเนินกิจการได้นะแต่ถึงจะได้หรือไม่ได้ยังไงอันนั้นก็สุตรแท้แต่กรรมของท่านแต่พลังใจของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ให้ท่านพูดได้ให้ท่านเป็นปกติให้ท่าน ใ, ให้ท่านหายจากโรคคาพยาธ อด้วยบุญด้วยกุศลอย่างน้อยก็ให้ท่านมีสุขภาพดีมีกำลังใจดีอในการเป็นอยู่ในการคองธาตุคองขันถึงจะป่วยก็ให้ป่วยด้วยใจดีนะให้พวกเรามีความให้มีน้ำใจต่อต่อผู้ต่อท่านนะและก็พร้อมการอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว ผู้ใดตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขอยู่แล้วก ข, ขอให้มีความสุขยิ่งๆนะ